สีมองสวยสำรวยเ ล, ลิศล้ำน้าที่ประจันเพียงแค่ตักน้ำลา้าง มองคำลูกนั้นลาง้าแปลงฟันยังต้องใช้ฉันทุกเช้าคำเห็นก็ลาหาสีว่าดีเหลือล้ำไปลูกไปคลำสุดท้ายแทบตายกลับมาถ้าฉันไม่ จกองกรลาจะปลอยให้จมกลับ้ําจะซ้องน้ำนาที่มี้องตาแต่แววเธอหามีไหมไม่มองด้วยซ้ำโทษทานเธอทำ จำว n s i นึกภาพความหลังแล้วร้องไหข้ขันทองคำย่างฉันมันดำไม่ได้และเธอจาไว้กลาสีใน